วันนี้เป็นวันอุโบสถที่พวกเราฟังจกรงสักครู่นี้เป็นวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสี่ปีห้าหนึ่งตรงกับวันที่ห้าเมษาห้าหนึ่งตามพระวินัย ในครั้งพุทธเจ้าท่านถือเป็นประเพณีเมื่อฟังอุโบสถจบลงแล้วจะต้องปารกันเรื่องหลักพระธรรมวินยัยคือศีลของพระศีลเป็นของที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของตาาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้แปลว่าเป็นหลักยืนยันเป็นพุทธภาษิตเป็นคำพูดตรัสและเป็นคาที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พระพุทธองค์ก็บอกว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมวินัยนั่นแลจะเป็นศาสด า, าของพวกท่านทั้งหลายอันนี้ก็คือคำหนึ่งสรุปแล้วก็คือท่านเน้นหลักเรื่อง หลักพระวินัยพระธรรมวินัยถ้าคนมีธรรมอยู่ในใจวินัยก็ต้องเข้มงวดกวดขันถ้าว่าคนไม่มีธรรมในใจวินัยก็ละเลงไม่ถือว่าเป็นของสำคัญถ้าคนไม่มีวินัยจะมีธรรมเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคนไม่มีศีลคนจิตใจปล่อยปะละเลย จิตใจไม่อยู่ในกรอบจิตใจไม่รักษาพระวินัยแล้วธรรมจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ตามพ่จริงถ้ามีธรรมอยู่ในใจวินัยไม่ต้องรักษาก็ได้เพราะมันเป็นอยู่ในกรอบเพราะว่าคนมีธรรมแล้วจะไม่ล่วงละเมิดทางวินัยถ้าว่าคนไม่มีวินัย ทำอะไรทำตามอาเภอใจทําตามมัธาใจทําตามที่ตัวเองคิดจิตใจนะั้นจะเป็นธรรมได้อย่างไรเพราะตัวเองละเมิดขนาดวินัยจับยบัง้งก็รักษาอย่างไม่ได้จะรักษาธรรมอันละเอียดนั้นจะรักษาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่บางครั้งบางองค์ก็เห็นว่าพราะวินัย ถ้าใจดีสัอย่างแต่ทําผิดยังไงมันมันก็ไม่ผิดไม่เป็นอย่างนั้นถ้าคนที่รู้คนที่จิตใจเป็นธรรมละเอียดอ่อนหรือว่าจิตใจที่เป็นธรรมแล้วจะทําสิ่งใดออกไปสิ่งนี้มันผิดหรือไม่ผิดก็รู้แก่ใจถ้าว่ามันผิดเราจะไปทําทำไมก็รู้ว่ามันผิดถ้าขืนทําไปมันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสาหรับ อนุชนรุ่นหลังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีในเมื่อเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแปลว่าเป็นผู้นั้นพระองค์นั้นทำลายทาคำสั่งสอนหรือทาลายหลักพระธรรมวินัยโดยไม่เจตนาการที่ไม่เจตนาทำลายนั้นพวกเราว่าเสียหายไหมอย่างไฟของเราเราจุดไปแต่ไม่ต้องการให้เผาเราเผายา้าเผาเรือนหรอก เ, เราจุดในห้อง ทิ้งไว้แต่ไฟมันไหมแต่เราไม่เจตนาว่าจะให้มันไหมแต่พอมันไหมได้เสียหายไหมไม่ต้องพูดถึงก็ต้องเสียหายนี้ก็เหมือนกันถ้าว่ามีเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วเสียหายทั้งนั้นเพราะนั้นอย่างในพระในครั้งพระพุทธเจ้าคณะท่านพระพุทธองค์ยืนยันว่าพระมหากบิน ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่ว่าท่านไปนสถานทิณใดท่านเป็นพระราชาสมัยก่อนพอท่านมาบวชแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไปนัตสถานที่ใดทินใดท่านจะชอบกล่าวในใจของท่านวาจาของท่านหลุดออกมาเป็นครั้งมาสุกหนอสุกหน่อสุกหนอหน อ, หน อ, อันนี้จนถึงกับพระสงฆ์ในครั้งนั้นผู้ที่ไม่ได้ รู้อัดรู้ทำแล้ไม่รู้ว่าท่านกล่าวเรื่องอะไรก็ไปกล่าวโจทยพ์พระมหากบินว่ามหากบินเคยเป็นพระเจ้าเป็นดินมาก่อนท่านเดินไปที่ไหนท่านคงจะล้ำลึกถึงสมัยเมื่อท่านเป็นพระราชาว่าสุขหนอสุขหน อ, หนอแต่นี้พระสงฆ์กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพรมหากบะินชอบกล่าวคำนี้ในที่สถานที่ต่าง เป็นเพราะอะไรเหตุใดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้เรียกพระมหากระดินมาท่านว่ามหากบินที่ท่านกล่าวคํานี้ขึ้นมาเพราะอะไรพระมหากบินก็บอกว่าข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่เรื่องภาระธุระจะต้องรับผิดชอบไม่รู้ว่าจัดกองทัพกองพลรักษาประเทศชาติบ้านเมืองประสบนิกรการเป็นอยู่ทุกอย่าง ได้คิดอยู่เสมอหาความสุขไม่ได้หาเวลาหลับเวลานอนเวลาพักผ่อนไม่ได้จิตใจว้าวุ่นปงฟุ้งซ่านตลอดแต่บัดนี้ข้าพระ อ, องค์ได้วางภาระเหล่านั้นแล้ววางกระทั่งขันภาระเวปัญจับขันธะวางกระทั่งขันวางกระทั่งจิตใจว่างข้าพระ อ, องค์จึงไปนัดสถานที่ใดจังหวะสุขหนอสุขหนอเพราะการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น นี่หละพระพุทธองค์วานี่มหากรบินเป็นบุตรของเราท่านไม่ได้คิดหวังความสุขทางโลกท่านมุ่งหวังความสุขทางธรรมของท่านเท่านั้นที่ท่านปรสุขหนอสุขหนอนั้นไม่ใช่อื่นไกลเป็นความสุขจากวิมุตติสุขของท่านต่างหากพระสง์เรานั้นก็หายสงสัยพระพุทธองค์ยืนยันจากนั้นท่านพระมหากบินท่านก็อยู่ตามลาพังวันหนึ่งท่านคิด ประพิตกขึ้นในใจว่าเราก็ได้เป็นพระอาหารหันแล้วเป็นอริยะสาวกแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องลงอุโบสถเพราะจิตของเราบริสุทธิ์แล้วกายวาจาจะเป็นโทษได้อย่างไรเพราะกายวาจาเขาเป็นออกมาจากจิตใจออกมาจากใจแต่เมื่อใจของเราบริสุทธิ์แล้วกายวาจาของเรา จะไปทำสิ่งความชั่วช้าเสียหายเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข่าไม่จาเป็นจะต้องลงอุโบสถเพียงแค่นั้นพระวิตกขึ้นมาในใจไม่ลงอุโบสถเพราะพระพุทธองค์รู้ด้วยยาณะวิถีของพระองค์พระองค์บอกว่าถ้าทำเรียกว่าประพฤติอย่างพระมหากบินอย่างนี้ใช่พระมหากบินเป็นพระอรหันต แต่องค์อื่นคิดว่าข้าข่าวนี้ข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ลงอุโบโสถก็ได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรถ้าคิดขึ้นมาหลายหลายองค์อย่างนี้แล้วศาสนาของตถาคตจะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆและจะเป็นยังไงเป็นแบบอย่างจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อพระอนุชนรุ่นหลังเพราะนั้นพระองค์จึงเห็นว่าท่านมหากบินท่านเข้าฌาน นั่งเข้าฌานสมาบัติคือสวยวิวมุตติสุขแต่นี้พระองค์ก็เดินไปตรงใกล้ๆพระมหากบินนั่งท่านก็เหยียบฝ่าพระบาทลงที่ทรายแผ่นทรายกวาดแล้วก็เหยียบลงตรงนั้นพอพระมหากบินออกจากนั่งสมาบัติแล้วท่านก็มาดูเห็นรอยพระพุทธเห็นรอยพระพุทธองค์เหยียบปะไว้โอ้นี่เหตุ เหตุใหญ่เกิดแล้วท่านก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพอปไปกราบพระพุทธองค์พระองค์ก็บอกว่ามากบินเธอจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าไปทำอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทำให้ศาสนาของเราตถาคตเสื่อมถอยเป็นตัวอย่างสำหรับพระต่อไปในอนาคตนั่นล่ละเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองพระพุทธองค์ยังตาหนิพวกเราคิดพิจารณาดูซิว่า ที่พระพุทธองค์ทําอย่างนั้นเพราะอะไรสรุปก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระอนุชนรุ่นหลังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะคิดทําอะไรเราต้องคิดคือรักษาส่วนหลักพระธรรมวินัยเอาไว้อย่าไปทําตามอาเภอใจอย่าไปทําตามอัธยาใจตัวเองว่าอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําตามที่ตัวเองคิดว่าดีแต่ตามไม่จริงมันไม่ถูกต้อง เพราะนั้นเราต้องนึกรักษาส่วนใหญ่รักษาส่วนกลางรักษาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรในหลักพระธรรมวิ น, นัยเราต้องปฏิบัติตามนั้นนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองค์นะจะไปอยู่หน้าสถานที่ใดถินใดบวชนานบวชการไหนก็ตามบวชผู้สูงอายุก็ตามให้ํานึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นพระเราจะต้องปฏิบัติตามหลักพระธธรรมวิ น, นัย พระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างไรศีลมีเท่าไหร่เราต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยนั้นอย่าล่วงละเมิดถ้าคืนล่วงละเมิดไปก็ทําให้ความประพฤติย่อหย่อนเมื่อความประพฤติย่อหย่อนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสําหรับลูกหลานอนุชนต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ข อ, ขอฝากไว้กับพวกเรานะอันนี้ก็คือหลักพระธรรมวินัย แต่บางองค์ก็ยึดมั่นว่าเขามีธรรมในใจเขาจะทํำยังไงก็ได้ฮจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงพูดไม่ได้พูดอย่างนั้นในเมื่อคนมีธรรมเขาจะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะเขามีธรรมในจิตใจเขาต้องมีหลักเหตุผลธรรมคือหลักเหตุผลกรารกระทําอย่างนี้เสี ย, สยหายไหมเสียหายส่วนรวมไหมเสียหายส่วนตัวไหมเสียหายต่อบุคคลไหมเสียหายต่อพระพุทธศาสนาไหม เสียหายต่อหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทันวางไว้ไหมถ้าเราอยากจะทำตามเาเผอใจเราก็สึกออกไปเป็นฆรวาสเราไม่ต้องอยู่ให้ทำให้เสื่อมเสียในศาสนาของพุทธเพราะว่าไม่มีไม่มีการกีดกันอยู่แล้วถ้าตัวเองอยากจะทำอย่างนั้นทำเหมือนกับคราวาสทแลรวก็สึกออกไปเป็นฆรวาสอย่าอยู่ให้หนักศาสนาอยู่ทำใหม่ อยู่ไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนอยู่ไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอยู่ไปก็หนักหนักวัดนักวานักศาสนาเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไนงะสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดมาหาตัวเองนะอย่าไปเพ่งมองไปหาคนอื่นไม่ใช่ว่าทําตามต้องการตัวเองต้องการอย่างนั้นไม่ถูกนะเพราะนั้น พวกเราที่เข้ามาบวชในศาสนาก็ให้ทั้งอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันผู้ใหญ่ให้เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้เป็นผู้น้อยกิจจะวัดข้อวัดตองมองพระปูนกลางไปหาปูนเล็กก็ให้รู้จักเคารพทำกิจจะวัรข้อวัดผู้ที่มีอายุสูงกว่าไม่ใช่แต่ทำเฉพาะผมให้ดูกัน ให้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนให้กราบครวะกันนี่แหละศาสนาของพระพุทธศาสนาจึงจะจะเจริญไปได้ถ้าอยู่ด้วยกันแข็งกล้าวคอนเท่าคอนไม้เท่าไม้เคารพไม่ลงอย่างนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าลูกศิษย์พระพุทธเจา้ารู้ธรรมเท่าไหร่รู้วินัยเท่าไหร่ฉเฉลียวฉลาดเท่าไหร่ยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนอันนั้นก็คือ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมการอยู่ร่วมกันเวลามีกิจวัตรส่วนรวมส่วนกลางอย่าดูดายให้ช่วยๆกันพรานิวัดนี้ไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นวัดของพวกเราทุกๆองค์ไม่ไม่ใช่วัดของผมเป็นวัดของพระพุทธศาสนาผมก็มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งพวกหมู่พวกเพื่อนที่เข้ามาศึกษา ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรการอยู่ร่วมกันหลายจิตหลายใจหลายความประพฤติเราจะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้ต้องรู้จักใจเขารู้จักใจท่านรู้จักใจเราแต่องค์ใดก็ตามถ้าอยู่เข้าไปแล้วอยู่เข้านานเท่าไหร่ใจก็ยิ่งร้อนชอบทะเลาะเบาแว้งเกิดขึ้นภายในวัดองค์นั้นผมว่าไม่ควรจะอยู่ อยู่ไปก็เสียหายตัวหมูคณะพอยับยั้งใจตัวเ อ, เองไม่อยู่แต่ถ้าว่าอยู่ไปแล้วให้รู้จักท่านให้รู้จักเราอย่า ก, ก่อการทะเล า, วาะวิวาทเพราะวัดวาศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวเรามาอยู่ที่นี่เรามาก่อการทะเลาะวิวาทอรารวาสหมูพวกเพื่อนใช้นักลงนักเลงขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องของพระ พระต้องอยู่ด้วยกันต้องเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนออไม่ใช่ว่าทะเลาะกันจนขึ้นเวทีตาดำตาแดงซะก่อนจึงจะรู้ได้ไม่ใช่เราต้องรู้แก่ใจว่าออถึงยังไงออการอยู่ร่วมกันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับหมูกับเพื่อนไม่ได้มันมีอารมโมโหโทโศขึ้น หรือมันร้อนใจร้อนขึ้นมาเราก็รู้แก่ใจว่าเราอยู่กับหมูกับเพื่อนไม่ได้เราก็ต้องออกไปอยู่ตามลำพังหรือไปอยู่วัดเล็กๆ ก, ก็ได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่แล้วก็ขวางหมูขวางเพื่อนขวางวัดวาศาสนาขวางครูบาอาจารย์อย่างนั้นในวัดของเราอย่าได้มีอย่าให้มีในวัดของเรา ถ้ามันเกิดขึ้นมาถ้าผมรู้ชัดเจนขึ้นมาแล้วเมื่อนั้นละ่ะผมจะไม่เลี้ยงเอาไว้จะต้องให้ออกจากวัดเพราะฉะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองนะการอยู่ร่วมกันต้องมีน้ำใจนะใ น, ในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วนี่เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมโนกกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลัง พวกเรามีไหมอย่างนั้นออมีการอิจฉาพยาบาทกันอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เรื่องของพระถ้าเรื่องของพระของเนนผู้ปฏิบัติทมแล้วเข้าไปตั้งกายกรรมวัจีกรรมกายกรรมคือการกระทำสิ่งไหนที่จะช่วยเหลือพวกหมู่พวกเพื่อนได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ช่วยกันปัดกวาดช่วยการทาความสะอาดช่วยกันแบ่งเบาที่ภาระธุระการงานที่เกิดขึ้น เข้าไปช่วยเขาเนา ะ, ะเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาคือใจของเราที่เข้าไปช่วยคือเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือเข้าไปแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งมนโนกรรมคือจิตใจที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลในจิตในใจต่อเพื่อนภิกษุสัมเนนทั้งต่อหน้าและรับหลัง เพะนั้นมีไหมในใจของเราผมอยากจะให้พวกเราทุกๆองค์ให้มีจิตใจเป็นอย่างนั้นถ้าพวกเราจิตใจเป็นอย่างที่ผมว่าถึงจะอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าวัดของเราจะมีทั้งพระใหม่พระเก่าจากต่างถิ่นต่างแดนการศึกษาการเป็นอยู่ตระกูล ที่มาอยู่ด้วยกันก็ต่างกันตระ ก, กูลที่มาก็ต่างกันความรู้ก็ต่างกันการศึกษาก็ต่างกันกิริยามารยาทก็ต่างกันเพราะนานาจิตต่งนางนานาความเห็นสิ่งเหล่านี้เราต้องมีความอดทนอยู่ด้วยกันผมเคยอยู่มาแล้วกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่บางครั้งใจของเราก็ร้อนแต่ เราก็ต้องคิดเห็นว่าอันนี้คือหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์แต่พอเราเห็นมาอยู่กับครูบาอาจารย์อึดอัดแต่พอไปอยู่ตามลําพังตัวเองอยู่ห่างไกลจากหมู่พวกเพื่อนก็คิดถึงหมู่ถึงเพื่อนโดยมากมันเป็นอย่างนั้นสําหรับพระอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แต่พอมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็หมู่พูดให้น้อยหนึ่งก็ไม่ได้โมโหโทโสหมู่กล่าวตักเตือนเป็นศีลเป็นธรรมก็ไม่ได้ เกิดอารมณ์โมโหโทโสโกรธาในหมู่ในคณะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าอย่าให้มีถ้าว่าตัวเองบังคับตัวเองไม่อยู่หรือบังคับตัวเองไม่ได้นะจะเกิดเรื่องราวอย่าอยูออ่ผมบอกได้อย่างนั้นว่าอย่าอยู่อยู่ไปก็เป็นอั ป, ปมงคนไม่เป็นมงคลสําหรับพระองค์นั้นท่านองค์นั้นอยู่ไปก็เสียหาย เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆองคนะอันนี้คือการกล่าวเตือนสําหรับพวกเราถึงจะไปอยู่ณสถานที่ใดทินใดก็ให้เป็นผู้มีน้ําใจให้เป็นผู้มีเมตตาทั้งกายใกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสั ม, มนเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังนี่แหละถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราเป็นธรรมลักษณะนี้พวกเราอยู่ณสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นถูกมูพวกเพื่อนก็นรัก เคารพนับถือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือทำไมเป็นผู้น้อยก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจผมเป็นผู้หมัน่นขยันอดทนทางด้านจิตใจก็เอจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะเหตุไรเพราะใจมีธรรมจิตใจอ่อนน้อมจิตใจมีเหตุผล เ, เราอยู่ข้างนอกใจของเราการกระทําของเรา ก็ไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกับพระองค์ใดาอาจารย์องค์ใดพระเนนองค์ไหนจาดโยมผู้ใดออมีเมตตาต่อเพื่อนสหธรรมิกตลอดไปแล้วเรามานั่งภาวนากำหนดจิตกำหนดใจเข้ามาใจก็ไม่ได้พิตกกังวลไม่ได้มีเรื่องราวกับผู้ใดใครผู้หนึ่งจิตใจของเราก็จะเข้าตล่อมเข้าสู่ความสงบได้ง่ายในเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจารณาสุภาปติกูลก็เห็นได้ง่ายจากนั้นพิจารณาถึงความเกิดดับเกิดแก่เจ็บตายเบื่อนายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นได้ง่ายตามขั้นตอนต่อไปเพราะนั้นมันสรุปแล้วก็คือเป็นมาจากศีลที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นก็คือศีลสีราจรวัรการเป็นอยู่ร่วมกันศีล ส, สมาธิคือความตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจมั่นปัญญาก็คือรอบรู้ในกองสังขาร สังขารของเรามีอะไรตั้งแต่หัวจดเท้าสังขารภายนอกสังขารภายในก็คือความคิดความปรุงความแต่งในจิตใจอันนี้ว่าสังขารภายในมีทั้งทุกทั้งสองอย่างเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาคือใจที่ได้รับความสงบจิตใจที่เป็นที่พอใจนั่นว่าสุขเวทนาทางทางใจ สุขเวทนาภายนอกก็คือได้ดื่มได้พักผ่อนตามอัธยาศัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันนว่าสุขเวทนากายสุขเวทนาใจเนี่ยแหะเวทนามีสองทางใจและกายเพราะนั้นถึงจะสุขยังไงอีกสักวันหนึ่งความสุขตัวนี้ก็คือเป็นเพียงแต่ความพอใจเท่านั้นเองให้ความทุกข์จะต้องเข้ามาแทนที่ เพราะนั้นความสุขสิ่งไหนก็ตามความสุขเป็นความสุขที่จอมปลอมทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงชําระกายสํานึใจของเราให้หมดจดจากกิเลสดูกิเลสขึ้นมาในใจราคะขึ้นมาเป็นยังไงโทสะขึ้นมาเป็นยังไงโมหะขึ้นมาเป็นยังไงราคาเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายราคะเนี่ยเป็นเรื่องที่รบ ก, กวนมากพระที่อยู่ในศาสนาไม่ได้ ปันปวนไปหมดก็คือเรื่องการมาลาคะเพรานะนั่นเรื่องการมราค่ะนึ่จะจัดยังไงจะทํำยังไงจึงจะกําราบมันได้พระพุทธเจ้าเองสมัยครั้งพุทธการพระพุทธองค์ไปอยู่ในป่าดงพงไ่อยถ้าเราศึกษาในปฐ ม, มสมโพธนะพระพุทธเจ้าสู้กับกิเลส ต, ตัวนี้แหละใคร เ, ข, เ ข, ข้าว่าพระุธองค์เห็นว่าร่างกายของพระองค์แข็งแข็งแรงแข็งแกร่งกามไม่กิเลกก็เหยียบย่ํา ไทยของพระองค์พระองค์พยายามอดพระกาหารผ่อนพระกาหารใครเข้ากั้นลมเพื่อจะให้มันหยุดเรื่องการมกิเลสผลในสุดก็ไม่ไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้มันก็ยังมีอยู่จนถึงอดพระกาหารทั้ง49วันเกือบคือเพื่อจะยับยั้งตัวนี้อีกเหมือนกันถ้าเราศึกษาดูให้ดีนะศึกษาอ่านดูให้ดีศึกษาให้ดีแสดงว่าเรื่องการมกิเลสไม่ใช่ของเล็กน้อยเราจะมองข้ามไม่ได้จุดนี้ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะเรื่องกอดนอนบ้างผ่อนอาหารเรื่องผ่อนอาหารนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่าทานอาหารตามอําเภอใจตามมัทาใจพยายามดูพวกสิ่งอาหารเสริมผมบอกแล้วบอกอีกพวกนมพวกนมพวกอาหารเสริมต้องระวังถ้าจะอยู่ในศาสนาถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทานตามอําเภอใจฉันตามอําเภอใจแล้วกิเลสตัวนี้ จะชูคอพวกท่านจะอยู่ลําบาก เ, เพราะว่าธรรมของท่านพวกเรายังอ่อนไม่สามารถที่จะกําราบมันได้แต่ถ้าว่าพวกเราทั้งอดนอนทั้งผ่อนอาหารด้วยแล้วก็เล่นความเพียรพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอสุภะร่างกายมีอะไรหบังคับควา้าพิจารณาให้ชัดเจนมันกําหนัดยินดีเรื่องอะไรมันเห็นร่างกายฝ่ายตรงข้ามเป็นยังไง เราพิจารณาดูให้ดีแล้วผมว่าเนี่ยพอตัดตัวราคะได้แล้วตัวโทสะที่มันงดหงิดงุ่นง่านก็กระเด็นไปพร้อมกันราคากระโทสนะนั้นมันเป็น เ, เพื่อนเกอรกันนะเป็นเพื่อนมิตรสหายกันอย่างสนิทอพอตัดราคะกระเด็นเท่านั้นเนีด็อขึ้นไปอยู่สุดทวารห้าชั้นอยังเหลือแต่โมหะขึ้นไปพยายามขัดเกลาอยู่ตรง สุดทวารห้าชั้นนั่นแหละเป็นพระรหรันไม่ลงมาเหยียบโลกอีกเพราะนั้นเรื่องการมราคะไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราศึกษาดูในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา้าพอพระพุทธเจ้าได้ตัดสรธรรำเรื่องที่โคลนต้นโพเห็นไหมนางตัญหาราคาอารอดนะีอะไรถ้าไม่ใช่การ ม, มกิเลสจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดสรธรรมแล้วพระองค์ยังเย้ยอีกว่าดูกอดกามเอ่ย เรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเจ้าเนีเกิดมาจากความดํำริกคํานึงถึงนั่นเองบัดนี้เรารู้จักต้นเงาของเจ้าแล้วเราจะไม่ดํำริกคํานึงดํำริคํานึงถึงเจ้าอีกเจ้าจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่อันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้หัวร้อยยอะหรือว่าเยอะแยะพระพระองค์ผ่านไปแล้วอันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีนะจุดนี้นะ ที่ว่าพิจารณาความตายคนนี้พิจารณาสุภาพคนนี้เพื่อทําลายสังหารเรื่องการมรรคเกลเอตการมรรคเกลเอตตัวนี้ไม่ใช่ว่าผ้าแก่แล้วจะหมดไม่ใช่นะมันอยู่ในใจนะไม่ใช่อยู่ในร่างกายนะมันอยู่ในใจต้องรู้ที่ใจแต่ร่างกายมันไม่เอาแต่ว่าใจของมันน่ยยังคึกขนองอยู่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่มันไม่ใช่อยู่ในกายกิเลสมันอยู่ในใจเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่บอกกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้พวกเราเป็นพระที่สมบูรณ์แบบเป็นพระที่มุ่งมั่นต่ออัตละต่อศีลธรรมถ้าพวกเรายังมีตัวกิเลสทวงตัวนถทวงทางด้านจิตใจอยู่แล้วพวกเราจะเดินก้าวไปด้วยความยากลำบากเพราะนั้นให้พิจารณาดูให้ดีต้นเงาเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจพิจารณาดูความแก่ความเก็บความตายพิจารณาอสุภะ ในจิตในใจเปียณาร่างกายให้มากจเจริญให้มากสุภาะนะจะตัดกิเลสตัวนี้ได้การพูดหลังพัะปฏิโมกวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแล้วก็ขอย้ำอีกว่าหลักพระธรรมวินัยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งมองข้ามไม่ได้ถ้าคนมีธรรมวินัยก็น่าดูใสสะอาดไปด้วยถ้าคนใดก็ตามถ้าขาดวินยัย ไม่รักษาวินัยคนนั้นก็ขาดธรรมธรรมวินัยมันอยู่ธรรมคือรักษาใจวินัยคือรักษากายวาจาถ้าว่าคนมีธรรมก็เหมือนคนมีวินัยคนมีวินัยก็คือคนมีธรรมเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มีธรรมวินัยในจิตในใจพวกเราจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บุญในพระพุทธศาสนาไปณสถานที่ใดเป็นที่ยอมรับกาบไหว้สักการ บ, บูชาทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย การพูดในะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรนะตอนนี้ไปส่วนท้ายพระปฏิมมก